มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาฉัตทวัคขี่หิปัพชิตะสัมมาปฏิปัติปัญหาที่เก้าถามเรื่องปฏิบัติชอบของขเริอหัดที่ได้มรรคผลราชาอาหะ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 มิให้ผิดจากพระพุทธบัญญัติตั้งใจปฏิบัติถือให้มั่นในศีลขันธ์ทั้งสี่คือพระปาติโมคสังวรศีนปัจจยะสันนิสิตศีนอาชีวะปริสุทธิสีนอินทริยะสังวรศีนดังนี้และต้องสมาทานศีนถือมั่นสิกขาบททั้งหลายมิหนำซ้ำต้องประพฤติเตรรสะทุดงสิบามประการอีกเล่า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 แล้วมิได้จำเริญสมถะวิปัสนาอาระกะสามัญญาก็จะไกลจากมรรคผลถ้าว่าขรือหัดคนใดตั้งอยู่ในพระไตรสารณาคมและศีลฐานแล้วจำริญวิปัสนากรรมฐานเป็นสัมมาปฏิบัติขรือหัดนั้นก็จะได้มรรคผลข้อซึ่งสมเด็จพระทุศพลตรัสสรรเสริญสัมมาปฏิบัตินี้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 เป็นแก้วอันให้สำเร็จซึ่งสิ่ ง, งสารพัดจะประรถนาบุคคลจะตีค่าลงราคาว่าเป็นซับเท่านั้นเป็นซับเท่านี้ดูไม่สมควรยิ่งนักยะถามีครุวนาฉันใดพระคุณแห่งบรรพชาก็มีครุวนาเปรียบดังนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิตพระราชสมภพมหาสมุทเทอุมมิโย